มือถือหายไม่เป็นไรอย่าให้ครอบครัวหายไปตอนมือถือยังอยู่ก็แล้วกันมือถือดีๆแทนที่กล้องดีๆได้แทนที่คอมดีๆได้แทนที่ตู้เกมดีๆได้แต่แทนที่ครอบครัวดีๆไม่ได้ครอบครัวดูมีราคาน้อยลงเมื่อมือถือราคาแพงมีบทบาทครอบงำสมองมากขึ้น คนรุ่นใหม่บางคนแค่ซื้อไอโฟนไม่ได้ถึงกับขายตัวขายยาคนรุ่นใหม่บางคนแค่แบตหมดถึงกับกรีดร้องดิ้นพล่านคนรุ่นใหม่บางคนแค่มือถือหายถึงกับทุบตีตัวเองอยากฆ่าตัวตายทำไมคนยุคเรามาถึงจุดนี้กันแล้วเพราะเราปล่อยให้ข้อมูลบางอย่าง ไม่เป็นแค่ข้อมูลในมือถือแต่เป็นศูนย์รวมชีวิตทั้งชีวิตเป็นโฟกัสของจิตวิญญาณทั้งดวงเมื่อข้อมูลนั้นขาดหายชั่วคราวก็ราวกับโลกถล่มลงชั่วขณะแต่ถ้าข้อมูลนั้นสาบสูญถาวรเขาก็อ่อนราวกับจะเป็นลมล้มตายได้เสียสติชั่วคราวเสียครอบครัวแบบกูไม่กลับ เสียจิตวิญญาณระดับมนุษย์ไปทั้งชาติเดี๋ยวนี้แลกกับมือถือเครื่องเดียวได้หมดอาการเสพติดมือถือขั้นลงแดงอาจแก้ไม่ยากอย่างที่คิดถ้ากิจกรรมของครอบครัวมากขึ้นความสำคัญของมือถือก็จะน้อยลงเอง